เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีปกกระลงตำนานผีล้านนาผีปกกระลงเป็นผีล้านนาโบราณในตระกูลผีป่าซึ่งมีหน้าตาแปลกประหลาดมากบางตัวมีตาเดียวขาเดียวสองแขนวิ่งได้ไวมากซึ่งจะอาศัยอยู่ในป่าเขาหรือทุ่งนาส่งเสียงร้องปกกะลงปกกะล ง, ลงซึ่งในอดีตนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่ามาว่าเคยมีคนเห็นผีปกกระโลกมาแล้วมีตำนานเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ใกล้ป่าชาวบ้านมีอาชีพทำนาทำไร่กับหาของป่ามาขายเมื่อถึงฤ ด, ดูทำนาชาวบ้านจะไปทำห้างนาอยู่เพื่อดูแลวัวควายและดูแลไรนาด้วยห้างนี้เป็นเพิงพัก กลางทองทุ่งของทางภาคเหนือซึ่งทําเป็นโรงเรือนเล็กๆพักอาศัยอยู่ได้เพียงคนเดียวว่ากันว่ามีครอบครัวหนึ่งมีแม่กับลูกสาวได้ออกไปทำนาซึ่งปีนั้นฝนตกหนักมากทั้งสองรีบไถานาเพราะอยากให้เสร็จเร็วแต่เมื่อนายังไถไม่เสร็จแม่จึงบอกให้ลูกสาวนอนเฝ้าห้างเพื่อที่จะได้ลงมาไถานาในตอนเช้าๆซึ่งลูกสาว ก็นอนเฝ้าห้างอยู่หลายคืนแม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นางก็ไม่สบายใจเลยเพราะเป็นผู้หญิงต้องมานอนห้างกลางนาอยู่คนเดียวแล้วในคืนหนึ่งลูกสาวก็ได้ยินเสียงคนดีดพินเปี๊ยะมาแต่ไกลนางก็ดีใจคิดว่าน่าจะมีชายหนุ่มที่กลับมาจากเที่ยวเกี้ยวสาวผ่านมาเสียงดีดพินเปี๊ยะนั้นใกล้เข้ามา และใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อเห็นได้ชัดนางก็เห็นว่าคนที่ดีดพินนั้นไม่ใช่คนหนุ่มที่มาเที่ยวสาวสิแล้วเพราะเห็นได้ชัดว่าเป็นคนแก่ผมยาวรงุงรังหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยทีเดียวในขณะที่หญิงสาวกำลังตกใจอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนแก่ถามมาว่า โกงโกงสาวนอนกลางต้งรับแล้วกาเมื่อหญิงสาวได้ยินดังนั้นนางก็แข็งใจตอบไปว่ายังบรรลับเตื้อเจ้าปูชายคนนั้นก็ได้ถามต่อไปอีกว่าโกงเพี้ยเป็นโกงอันยังพร้อมกันนั้นก็ยกกระโหลกเพี้ยให้ดูสาวคนนั้นก็ตอบไปว่า เ, เมื่อชายคนนั้นชี้ไปที่ขันพินเพียแล้วก็ถามอีกว่าลักเพียเป็นลักอะไยงังหญิงสาวคนนั้นก็ตอบไปว่าเป็นลักเงินลักคำเจ้าปูชายแก่คนนั้นก็ถามไปอีกว่าสายพินเปียเป็นสายอะไยงังหญิงสาวจึงได้ตอบไปว่าสายเงินสายคำเจ้า ชายแก่คนนั้นก็ยกพินเพี้ยให้ดูแล้วถามอีกว่าเราเพี้ยเป็นเราอะอย่างหญิงสาวก็ตอบด้วยใจที่สั่นระทึกว่าเราเงินเราคำเจ้าปูเมื่อชายแก่เห็นหญิงสาวพูดจาไพเราะอย่างนั้นก็ชอบอกชอบใจแล้วเดินดีดพินเพี้ยหายเข้าไปในป่าหญิงสาว จึงรีบปิดห้างนาแล้วล้มตัวลงนอนด้วยความหวาดหวัน่นเมื่อถึงรุ่งเช้าหญิงสาวได้ตื่นขึ้นมาก็ตกใจสุดขีดเพราะนอกห้างนานั้นที่มีโอ่งวางอยู่หนึ่งใบบัดนี้ได้เต็มไปด้วยทองคาซึ่งนางก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทองคาเหล่านี้มาอยู่ได้อย่างไรหลังจากนั้นอีกไม่นาน ข่าวการได้เงินทองจากผีปกกะโล่งก็แพร่ไปทั้งหมู่บ้านมีหญิงไม้อยู่คนหนึ่งซึ่งอยากได้เงินทองอย่างนั้นบ้างจึงให้ลูกสาวของตนไปนอนแห้งนาและก็ได้พบกับผีปกกะโล่งอีกเหมือนกันผีก็ถามหญิงคนนั้นว่านอนแล้วหรือยังแต่หญิงสาวคนนี้มีนิสัยที่ก้าวร้าวจึงตอบกลับไปว่า ยังมานอนเตี้ผีก็ถามอีกว่าโกรงเบียนี่เป็นโกรงไอนางนางก็ตอบกลับไปว่าเป็นกระ้องหัวคน้นผีจึงถามกลับไปอีกว่าลักเพี้ยนี่เป็นลักไอนางนางก็ตอบกลับไปอีกว่าเป็นนิ้วมือคนน้นนะกกผีก็ถามอีกว่า สายเพียเป็นสายอัญังนางก็ตอบกลับไปด้วยความรำคาญว่าก็เป็นเอ็นค้นนะ่ะกผีปกกะโล่งก็ถามไปอีกว่าเราเพียเป็นเราอัญังนางเห็นผีถามเช่นนั้นก็เลยหงุดหงิดจึงพูดออกไปดังๆว่าก็เป็นกระดูกค้นนะ่ะกไปเถอะลุงมนต้องมาถามอัญมงเหรอข้าไม่อยากฟังผีปกกะโล่งชารา ก็เดินดีดพินเพี้ยเข้าป่าหายไปพอรุ่งเชา้าแม่ของหญิงสาวคนนั้นก็เอาอาหารมาให้ลูกสาวแต่กลับพบว่าลูกสาวของนางได้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายอย่างน่าอานาถหน้าตาเละไปทั้งร่างกายมีแผลเหวอะหวะอยู่เต็มไปหมดซึ่งเกือบจำไม่ได้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเกี่ยวกับผีปกกะโลง ซึ่งจากที่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีปกะโล่งแล้วผู้อ่านก็อยากจะเล่าประสบการณ์เสริมอีกหน่อยตามที่มีผู้เ่าผู้แกแถวและแวกบ้านท่านได้เล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปเลี้ยงวัวที่กลางป่าและก็ได้เจอกับผีปกกะโล่งที่ริมห้วยซึ่งขณะนั้นมีฝนตกพรำๆเขาก็เดินไปเจอกับชายแกสวมงอบทรงแหลมที่ทามาจากใบตาลยืนอยู่ที่ข้างลาห้วย ไม่พูดไม่จาและมีอีกรายหนึ่งเมื่อสมัยที่ยังใช้ควายไถายนานั้นมีพ่อบ้านคนหนึ่งเขาให้ภรรยาเขากลับไปทําอาหารเย็นที่บ้านก่อนส่วนเขานั้นจะกลับตอนค่ำๆขณะที่เขาเดินผ่านนาในระหว่างทางกลับบ้านนั้นก็ได้พบกับชายที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนกับเจ้าของนาที่เขารู้จักกันดีแต่เมื่อเขาเดินกลับไปถึงบ้านกลับพบว่าชายเจ้าของนาคนนั้น เขาได้ไปถึงบ้านตั้งหลายชั่วโมงแล้วพ่อบ้านก็เลยชะ ง, งนว่าคนที่เขาเจออยู่ที่กลางนานั้นเป็นใครกันแน่